เวลาที่เราให้อภัยเขาพูดว่าให้อภัยเขาการเขิดก็ามาที่ใจตัวเองเราจะเห็นว่าเรามีอัตราบางอย่างที่เกิดขึ้นอัตราที่เติบโตขึ้นที่บอกว่าเราถูกแล้วเขาผิดลึกๆใจมันจะเป็นอย่างนั้นและการที่เราบอกว่าเราให้อภัยใครสักคนหนึ่งก็แสดงว่า คุณได้ตัดสินให้คุณถูกและตัดสินให้เขาผิดคุณถึงได้ให้อภัยใช่ไหมคุณลองคิดดูนะถ้าสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยไม่มีบังเอิญไม่มีความบังเอิญทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลกันมันสมบูรณ์แบบในตัวของมันเองมันเป็นเหตุเป็นผลกันด้วยกรรมที่สลับซับซ้อนพันกันแต่มีเหตุและมีผล การที่เราประสบทุกเพราะใครบางคนทำกับเราอย่างที่ไม่น่าทำนั้นความเป็นจริงแล้วมันไม่บังเอิญเมื่อมันไม่บังเอิญเป็นเหตุเป็นผลคุณก็สมควรได้รับในสิ่งนั้นคุณสมควรได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิดไม่ว่าคุณจะเป็นคนถูกหรือผิดทุกอย่างมันสมควรในตัวมันเอง เมื่อสมควรในตัวมันเองจะให้อภัยใครเพราะไม่มีความถูกความผิดมีแต่ความสมควรและไม่บังเอิญ 3. ถ้าสรรพสิ่ง น, นี้มันว่างสรรพสิ่งปรุงประกอบเป็นดินน้ำลมไฟอากาศธาตุที่มาประกอบกันเป็นอิเล็กต ร, รตอนตัวตอนนิวตอนเป็นพลังงานเป็นอนัตตาดังพระพุทธเจ้าสอน คุณจะให้อภัยความว่างได้หรือตัวคุณเองยังไม่มีเลยปรุงประกอบและบ้างเปล่าคุณจะให้อภัยผลพวงของตัวเองได้หรือใ น, นเมื่อตัวคุณเองยังไม่มีมันจะมีคนอื่นได้ไงมันจะมีสามีชั่วได้ไงมันจะมีพ่อที่ชั่วได้ไงมันจะมีลูกชั่วได้ไงเพื่อร่วมงานไม่ดีหัวหน้าไม่ดีได้ไงพอเข้าใจให้ได้นะครับ จุดสำคัญที่สุดเวลาเราบอกว่าเราให้ภัยใครมันคือการที่เราปดความคิดแค่นั้นเอแจะปดความคิดไม่เคยทำให้เราปลดจากความทุกข์ได้ตัวความคิดจะปลดความคิดจะคิดล้างคิดยังไงก็ตามยังเป็นทุกข์ล้างทุกข์ก็พอให้สุขได้บ้างแต่โดยธรรมชาติของความคิดเป็นทุกข์ตามพระพุทธเจ้าสอนทุกน้อยหรือมากแค่นันเ เน้นร้างความคิดด้วยความคิดไม่ค่อยขาดจริงแต่ก็จำเป็นต้องใช้แต่อย่าให้ใช้และแช่มันอยู่ที่การอาภัยเพราะหลายๆครั้งของคนไข้ที่มาหาเราไม่เกลด อ, อภัยได้จริงเวลาเขาพูดถึงว่าเขาอาภัยนั้นให้คุณรู้เลยว่ามาผิดทางลึกนะหนูให้อภัยแล้วผิดทาง อภัยมันเป็นมายาลวงโลกได้อยู่ในเชิงของการใช้อภัยเป็นบันไดไปสู่สิ่งสําคัญที่สุดคือรักไร้เงื่อนไขวันที่คุณรู้ว่าคุณปลดความทุกข์จัดใจเขาและเขาตื่นจากฝันได้จริงๆจะไม่ใช่คําว่าอภัยแต่มันจะกลายเป็นคําว่าหนูขอบคุณพ่อหนูขอบคุณทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ที่ให้หนูี่เรียนรู้และมันสมควรแล้วที่ทำให้หนูไดเติบโตมาในวันนี้สำนึกทุกอย่างที่บอกว่าอ t ดไมล์ฟอมันเป็นความผิดของหนูความผิดของฉันทั้งหมดเพื่อให้เกิดการเข้ามาถึงการขอบคุณและความรักแร้เงอนไขและคุณจะเห็นความขอบคุณและรักแร้เงอนไขได้เมื่อเขาคนนั้นสามารถมองหาสิ่งที่มันดีๆที่อยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆ และเขาต้องเห็นด้วยตัวเขาเองโดยกระ บ, บวนการที่เราค่อยๆตะล่อมตะล่อมตะล่อมให้เขาเห็นและดึงมันออกมาจะจากการเขียนก็ตามจะจากการพูดตะล่อมให้เขาคิดได้เองก็ตามแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะให้เขาเขียนนะครับไม่ใช่เราจะไปถามเขาตรงๆตงๆว่าลึกๆแล้วคุณมีปัญหาอะไรถ้าเขารู้ว่าเขามีปัญหาเขาไม่มาหาเราเราจะถามเขาตรงๆไม่ได้ ศิลปะอย่างเดียวคือศิลปะแห่งการอดทนและตล่อมได้นานพอที่จะให้เขาเห็นตัวเองคนนี่นะถ้ามันมองหาทางออกมันจะหาทางออกเจอจำได้ไหมในคูจิตวิญญาณ If you seek you will find If you knock the door the door is open ถ้าคุณหาคุณจะเจอถ้าคุณข้าประตูประตูจะเปิดออกถ้าเราไม่พยายามพาเขามองหาความโชคดี และความดีในสถานการณ์ที่เลวร้ายเขาจะเจอแต่ปัญหาไปทั้งชีวิตเขาจะจมอยู่กับความรู้สึกผิดไปทั้งชีวิตแต่ถ้าเขาเริ่มมองหาความโชคดีมองหาสิ่งดีๆที่เกิดกับตัวเขาเองถ้ามันไม่มีก็จากสถานการณ์นี้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นอย่างไรเขาจะเจอความโชคดีและเวลาที่เขาเจอความโชคดีเขาเจอสิ่งดีๆมันจะทาให้เขากลับมาเห็นตัวเองได้เป็นอีกสองช่องทาง คือการเข้าไปเห็นตรงๆแต่ถ้าเข้าไปผ่านความทุกข์ตรงๆไม่ได้ต้องพาเข้าผ่านความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งดีๆในสถานการณ์นั้นๆแล้วเดี๋ยวเขาจะคิดได้เองเหมือนกับใช้สุขนุนสมาธิกลไกเป็นอย่างนั้นแล้วพอคิดได้เองจําไว้นะครับถ้ายังมีคําว่าหนูให้อภัยพ่อฉันให้อภัยคุณผมให้อภัยพี่อยู่คนคนนั้นก็คือคนที่อัตตาใหญ่เหมือนเดิมพอลึกๆ เขาไม่ได้ให้อภัยจริงๆแต่ถ้ามันมีคำว่าผมขอบคุณจริงๆครับผมเข้าใจแล้วผมรักพ่อผมรักพี่ผมขอบคุณอย่างลึกซึ้งจริงๆแล้วเราดูน้ำตาที่ไหลตาที่ลุกโพง body language ต่างๆของเขาที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีสะท้อนความสุขจบเคสได้เลยคุณพาเข้ามาถึงที่สุดแล้วของสันติสุขในชีวิตถึงความจริงที่ยิ่งใหญ่ และปลดล็อกเขาจากจิตวิญญาณได้จริงๆคุณเป็นครูจิตวิญญาณเป็นโค้ชจิตวิญญาณเป็นที่ปรึกษาจิตวิญญาณจริงๆไม่ต้องเก่งคุณไม่ต้องเก่งไม่ต้องพูดเก่งไม่ต้องฟังจนเลิศแต่ทำยังไงก็ได้ที่นำและตะล่อมให้เขามาสู่กระ บ, บวนการที่เขาพบความรักและการสานึกรู้คุณแค่นั้นเองมีแค่นี้ ทำแค่นี้เองกระบวนการทั้งหมดมาถ้าออกจากปากและจิตใจของเขาว่าเขารักและขอบคุณเมื่อไรได้คุณสาเร็จแล้วแต่คุณต้องสัมผัสภาวะนี้เองนะคุณจะต้องรักและขอบคุณสิ่งเลวร้ายในอดีตของคุณได้ก่อนคุณถึงจะรู้ว่าภาวะนี้มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับคำว่าให้อภัยจนกว่าจะได้เจอกันในวันที่สิบแปดนะครับ สวัสดีวันนี้สวัสดีครับ